พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกวนจิตใจให้สงบจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้เองการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้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 ผู้สนใจในพุทธศา ส, สนานี้นะทั้งที่มานับถือพุทธศา ส, สนาอยู่กิเลส ก, ก็ยังมีอยู่อย่างนี้เพราะอะไรลนะ่ะก็นั่นแหละก็อย่างที่ว่านะันนะเพราะว่าบุญบา ร, รมียังไม่มากพออินทรียังไม่แก่กล้าพอเหมือนอย่างการเข้าไปสู่นรก ของพวกทาหารตำรวจนั่นแหละถ้าหากว่าทาหารนั่นนะมีกระสุนน้อยอย่างงี้นะเมื่อไปยิงต่อสู้กับข้าศึกไปกระสุนหมดซะแล้วอย่างงี้นะมันก็จําเป็นต้องได้ถอยล่นนะเพราะว่ากระสุนหมดแล้วไม่มีอะไรจะสู้กับข้าศึกแล้วนี่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 ที่จะรู้แจ้งธรรมของจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็ไม่ต้องย่อท่อถอยหลังก็ต้องพยายามกระทากุศลคุณงามกรณีอย่างอื่นให้มากเข้าไปเป็นต้นว่าให้ทานอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้ก็พยายามสํารวมในศีลให้บริสุทธิ์ไว้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 ในอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นที่มากระทบตา <c oughs> เป็นต้นเหล่านี้นะก็พยายามมีสติหากข้ามจิตใจไม่ให้มันหลงยินดีอินร้ายไปไม่ให้มันหลงโกรธเกลียดขึ้นมาในใจ <c oughs> พยายามมีสติสัมปชัญญะข่มใจไว้ถ้ามันจะลุกขึ้นก็ดีอย่าให้มันกำเริบขึ้นมา มูนีนะเดี๋ยวว่าเราพยายามอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าอื <c oughs> เสีรสัตว์ทินทรีความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ให้เข้มแข็งขึ้นเชื่อมั่นมาเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยแล้วอเราต้องเอาชนะกิเลสนี้ได้วันหนึ่งให้ได้เลยอย่างนี้นะเมื่อเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ก็พาคเพียนไม่ยามไป อาเพียนไปคราวนี้สู้มันไม่ได้ก็อย่าเพิ่งถอยหลังอย่าเพิ่งยุติก่อนเอาได้โอกาสก็ตั้งสติทมความเพียนไปใหม่สำรวมจิตเข้าไปอดทนเข้าไปนี่เมื่อเราภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยมันต้องได้ช่องวันหนึ่งให้ได้ ถืออ่ามันจะสามารถทําจิตให้สงบลงไปวันหนึ่งให้ได้หมายเขาว่าอย่างนั้นแต่นี่ถ้าคนใดนะเห็นว่าตนทําความเพียรภาวนาเข้าไปแล้วสู้กิเลสไม่ได้จิตใจสงบลงไม่ได้แล้วไม่ทําต่อไปซะหรือว่านานๆยึงไปทําสักทีหนึ่งอย่างนี้มันจะไปสู้อํำ น, นาจกิเลสได้ยังไงอ่ะอ่านั่นแหละ เมื่อถอยหลังแล้วในกิเลสมันก็ยิ่งครอบเงาเข้าไปเรื่อยๆมันก็ยกกิดยกใจไม่ขึ้นแล้วแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถอยหลังอนะ่ะเอาถ้าสู้แม้คราวนี้ตั้งใจทําสู้ไหมเมื่อตั้งใจได้แล้วก็สู้มันไปไหมเอาอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาอยู่นั่นอกิเลสมัน ควนใจให้คิดให้ปรุงให้แตง่งเอาเราก็รู้ตัวให้รู้ว่าขณะนี้กิเลสมันปั่นใจให้คิดให้พุ่งออกไปข้างนอกรู้ตัวเราก็รู้ได้ด้วยสตินั่นเนี่ยเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นแล้วเอาสั ก, กดจิตเข้าไปอธิษฐานจิตเข้าไปนี่คืออำนาจของกิเลสบะนี้เราจักไม่ตามกิเลสแล้ว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 เราก็มาเชื่อพระพุทธภาษิตข้อนี้ี่เราไม่มีปัญญาสามารถที่จะถอนรากมันได้ก่อนนะเนี่ยเราก็อาศัยขันติความอดทนนี่แหละเป็นตะปาทำเผาเอาเลยแบบนี้นะอ่าไม่ต้องมีวิธีรีตองอะไรอดอย่างเดียวอะมันชอบคิดส่งออกไปข้างนอกโดยความยินดียินได้บัดนี้เราจักไม่คิดเราจักอด คิดอย่างนี้นะพอตั้งสัจจะลงไปนี่ก็อดกั้นแล้วไม่คิดแล้วอเพราะว่าบุญก็ดีบาปก็ดีกิเลสตัณหาใดๆก็ดีมันมันมีใจเป็นใหญ่มันมีใจถึงก่อนทั้งนั้นถ้าใจไม่คิดแล้วมันมีไม่ได้เลยกิเลสก็ดีก็ให้เข้าใจหลักนี้อีกมันสําคัญอยู่ที่ว่าเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้นี่นะนั่นแหละ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 สติมันก็มีกำลังกล้าขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็รู้ตัวทีเข้าไปโดยลำบับเลยอะ่ะคือรู้ว่าขณะนี้จิตเราปลอดจากความรักความชังอย่างนี้นะปลอดจากความหลงความเมาก็รู้อย่างนี้นะนี่เรียก ว, ว่าสัมปชัญญะนะมันรู้ตัวนะหรือว่าขณะนี้จิตเรา ยังวันไหวไปตามอำนาจแห่งความยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้ก็รู้นี่อันนี้แหละเป็นเทศที่จะให้เราละกิเลสได้นะนะเพราะพราะกําหนดรู้นี่นะเมื่อไม่รู้แล้วมันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะบุญกุศลหรือความดีคุณธรรมต่างๆก็ดีเมื่อไม่รู้แล้วมันจะไปบําเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจได้อย่างไรเล่านี่เช่อนอย่างว่า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 ไม่กลัวทุกเหลือนรกนั่นนะมีจริงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่นํามาสั่งสอนนี่เราก็ต้องสอนใจเตือนใจตัวเองเข้าไปเมื่อมันทําท่าว่าจะไม่เชื่อว่า น, นรกมีจริงเราก็ต้องสอนใจนี้ให้มันเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอเมื่อมันมันเชื่อตามปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าจริงๆแล้ว มันก็เกิดความกลัวต่อความทุกข์ขึ้นมาแล้วใจนี่นะเมื่อวีอย่างนั้นเมื่อมันกลัวที่จะไปสู่ทุกข์เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิแล้วมันก็หยุดในความคิดที่เป็นอกุศลต่างๆแล้วว่านี้หมายความว่าพูดรวมๆก็เเลยว่ามันหยุดคิดไปในความโลภในความคิดเพ่งเลียงไปอยากได้สมบัติของอื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันก็เป็นบาปอันหนึ่ง มันหยุดคิดไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทจองเวรใครพราะความโกรธก็ดีความผูกโกรธก็ดีความพยาบาทจองเวรก็ดีเหล่านี้ล้วนจะเป็นอคุศนทั้งนั้นเป็นสิ่งที่จะนาบุคคลผู้นั้นไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นแหละเมื่อไม่ละอันอย่างนี้หละก็ก็ต้องก็ต้องเตือนจนให้รู้ตัวอย่างนี้นะ ให้เห็นโทษของความโกรธความผูกโกรธความพยาบาทอย่างนี้น ะ, ะให้มันเห็นโทษด้วยตนเองเลยถ้ามันไม่เห็นโทษแล้วมันก็จะโกรธอยู่อย่างนั้นแหละเราคิดดูทุกคนนะสังเกตตัวเองต้องรู้ได้เลยนั่นนะหะผู้ใดได้ปฏิบัติมาเช่นได้บรรเทาความโกรธมาก็รู้ตัวได้เลยก็เพราะเราไม่ยึดถือ Mm. เมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วก็กาหนดใจละมันไม่ยึดถือมันไว้ต่อไปอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เดดมันจึงไม่ได้ไปสร้างความเมายาบาปขึ้นมาแม้ใครจะทำความไม่ดีกระทบกั่งกับเรามาแต่ก่อนเราก็ให้อภัยเข้าไปเลยะไม่ผูกใจเจ็บไว้เลยไม่คิดที่จะแก้แค้นเลยอย่างนี้นะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ละบาปออกจากกิตใจได้ ถ้าว่าไม่สอนใจให้ละความโกรธเหล่านี้ยังยึดมั่นอยู่ไว้แล้วก็เท่ากับ ว, ว่ายึดเอาบาปไว้ในตัวนั่นเองเลยให้เข้าใจเอาบปดีก็ความคิดหลงคิดเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆก็ดีความเห็นผิดไปต่างๆหมูนี้นะ อันเรื่องโมนี้มันล้วนจะเป็นบ่อเกิดแห่งบาปอกุศลทางนั้นเราต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องอันกิเลสเหล่านี้ก่อนอย่างนี้นะให้มันรู้ทิภัยของกิเลสล่า น, นี้มันเป็นยังไงอะ่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ละอย่างนี้นะเราต้องเอามาตีแผ่ดูในใจหันเอาความหลงมันมีลักษณะยังไงอะ่ะเมื่อเมื่อจิตมันหลงแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะ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 ทีนี้เมื่อมันหลงอย่างงาบนะกวเมื่อมันยินดียินร้ายเหนื่อยใจรุนแรงเข้าไปแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาไปแล้ววันนี้นะถ้ามันยินดีมากๆ อ, อ๋อมันก็แสวงหาสิ่งที่ตนชอบใจนั่นแหละเข้าไปมันจะเป็นบาปเป็นโทษงไงก็ช่างขอให้ได้สิ่งที่ตนต้องการก็แล้วกันถ้ามันยินร้ายแรงแรงขึ้นมาเนี่ยมันก็แสดงบทบาดเบียดเบียน ผู้อื่นตอบโต้แก้แค้นกันไป <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นบาปเป็นอกุศลไปอนี่มันกันมันก็เกี่ยวเนื่องมาแต่ความหลงนั่นเองเนะี่ยความไม่รู้เนะี่ยระลึกไม่ได้เลยละระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้อวินัยไถ่เรื่องนั้นไม่ได้ว่าความคิดอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้นะ่ะมันเป็นบาปเป็นโทษมันนําทุกมาให้นะี่มันคิดไม่ได้เลย นั่นแหละที่เรียกว่ามันหลงนะให้พานเข้าใจถ้ามันรู้อย่างนี้หมายความว่าเมื่อเราภาวนาลงไปทําใจสงบแล้ววันนี้ก็ประมวลเรื่องกิเลสต่างๆเหล่านี้มาวินิจฉัยให้มันเห็นโทษของมันจริงๆเลยเอาแล้ววันนี้ให้มันเห็นโทษเห็นความบกพร่องทําไมมันจึงหลงเหล่านี้ถามตัวเองสิมันหลงก็เพราะมัน ขาดสติสมบูชนยะสติไม่ได้อยู่กับกายกับใจสติรละลึกส่งออกไปข้างนอกนู่นมากต่อมากนี่แหละมันถึงได้หลงหลงความคิดหลงความนึกของตัวเองอหลงยินดียินร้ายไปตามความคิดความนึกของตัวเองอย่างนี้นะอ๋อมูลเหตุมันมาจากนี้ที่มันหลงกว่าเงินเอาละถ้าอย่างนั้นต่อไปเราต้ตั้งสติ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 มันก็เห็นมองเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติแล้ววันนี้น ะ, ะต่อจากนั้นไปก็มีสติกากับอยู่ในฐานทั้งสี่เนี่ยพยายามมากาหนดรู้เรื่องของร่างกายนี่อันเป็นส่วนยามยากนิก่ อ, อื่นเลยให้มาเห็นแจ้งของร่างกายตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นควาจริงนยเราพี่นามาบ่อยๆอยู่แล้วร่างกายนี่นะมันมันมีความรู้อยู่แล้วแต่ว่า เมื่อนเผอสติแล้วมันก็หลงไปหลงไปาคำๆว่ากายเราขึ้นมาอย่างนี้นะดังนั้นเราพระองค์จึงสอนให้ตั้งสติกำหนดอยู่ที่กายนี้ให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราอยู่ตลอดเวลาเลยพูดกันอย่างง่ายๆเป็นอย่างนี้แหละให้ตั้งสติกำหนดที่าจรนาเวทนานี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่นะ อ่าไม่ใช่ของเราอย่างนี้เนะ่ยไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือเอาสุขเอาทุกข์อันนั้นมาเลยเป็นอารมณ์ละไรแบบนี้นะมันก็ไม่เสียใจดีใจกับสุขกับทุกข์นั่นแหล ะ, ะตั้งสติไปที่จิตนั่นอย่างนี้นะก็เมื่อเราตั้งสติไปที่จิตนี่ไอ้จิตนี่มันมันมันหลงน้อยที่สุดในขณะที่มันมีสติอยู่นะั้นมันไม่หลงอะไรนะ เนี่ยแต่ว่าสตินั่นก็ต้องไปเตือนจิตให้รู้ว่าไอ้จิตนีก็ขาสัจว่าแต่จิตนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ใช่จิตของเราถ้าว่าจิตของเรามันก็มีสองซี่มันก็มีสภาพที่รับรู้รับยอมรับว่าจิตเป็นของเราอีกอีกผู้หนึ่งนะนั่นลองคิดดูอะที่จริงแท้มันไม่มี ตัวเองหากสมมุติว่าจิตเป็นของตัวเองออยู่อย่างนั้นแหละสำคัญนะเรื่องจิตเนี่ยพี่นะให้มันดีเพราะเมื่อมันรับรู้อารมณ์ อ, อะไรแล้วมันหลงแล้วมันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รักก็ชังไม่โลภก็โกรธเลยนี่นะถ้าหากว่าเราเอาสติเข้ามาเพ่งดูจิตนี่ให้เห็นว่าจิตนี่มันไม่มีตัวตนอะไรเป็นสภาวะธาตุ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 ถ้ารู้อยู่เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรอ่ะนี่แหละมันเอาสติเข้าไปเพ่งดูจิตนี่นะที่มันเป็นตัวปัญหาใหญ่อ่ะอยู่นี่นะให้มันเจมแจ้งในใจเลยให้มันเกิดงานความรู้ขึ้นมาหนูเนะอืรู้ชัดว่าจิตนี่ก็สัว่าจะจิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยถ้าว่ามันรู้แจ้งอยู่อนี้นะใครด่ามามันก็ไม่โกรธ ในอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยใครเยืนยอสรรเสริญมาก็ไม่เพลินไม่หลงไม่เมาเลยนั่นแหละออกกว่าจะมันเมายัางไงล่ะก็จิตนี่มันมีดวงเดียวเท่านี้มันไม่มีเขามีเราอะไรมีสภาพมีธาตุรู้เท่านี้หนึ่งนะอันที่มันมีเขามีเราอยู่นั่นก็เพราะว่ามันไม่รู้แจ้งอย่างนี้เรื่องมันนะมันรู้ไปอีกอย่างหนึง่งมันรู้ว่ามีเราว่าจิตเราอย่างนี้นะ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 จิตเขาก็ไม่มีจิตเราก็ไม่มีมีแต่ท่านรู้เท่านี้แหละเตือนตัวเองให้รู้อยู่อย่างนี้นะมันเตือนตัวเองให้รู้อยู่อย่างนี้เสมอเมื่อความรู้อันนี้มันเด่นขึ้นตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วจิตมันก็เข้มแข็งในแบันี้น ะ, ะตั้งมัน่นคำสรรเสริญนินทาอะไระกระทั่งมาเม่ยมันไม่ได้ตื่นเต้นหรอกไม่ได้วอนไหว อืมเพราะมันมันรู้มันรู้ทันดีเลยว่าืเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เราหรอเราไม่มีอยู่ในนี้เลยสักหน่อยเดียวนี่ก็เมื่อมันนึกได้อย่างนี้มันเตือนตนได้อย่างนี้มันจะไม่โกรธอะไรแล้วมันไม่มีเขาเราอะไรจะให้โกรดนี่จะให้รักให้ชังอะไรเลยนะอือยากพูดย้ำแล้วย้ำอีกเลยเพราะว่าคนเราไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องสําคัญสําคัญนะ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอ่ะมกักจะไปใส่ใจแต่เรื่องอื่นนูน่นใส่ใจแต่เรื่องกินกินทานทานกราบกราบไหว้ไหว้อะไรทํานองนั่นแหละเนี่ยเพรนี้ไอ้เรื่องจิตที่เป็นตัวหัวจักสําคัญนี่นะไม่เอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเลยการปฏิบัติธรรมนะ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 แล้วก็ยังไม่พยายามที่จะตัดทอนให้มันน้อยลงอย่างนี้นี่ก็เชื่อว่าเป็นผู้ประมาทนั่นแหละเป็นผู้ไม่เห็นแจ้งในจิตตามไปจริงอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันไปหลงว่าจิตเราอยู่เนี่ยมันก็สะสมเอะไรต่ออะไรไปไว้ในนั้นแหละตนชอบใจสิ่งเนยมันก็สะสมเอาไว้ชอบความโกรธมันก็สะสมความโกรธเอาไว้ชอบความโลภมันก็สะสมความโลภเอาไว้ อย่างนี้เลยชอบความหลงความเมาเอ้าความเพลิดเพลินสนุกสนานร้องรําทําเพลงดีดสีตีเป่าดื่มเหล้าเมาสุราอ<ม>ืมคนมีนิสัยชอบทะเลาะวิวาดกับเพื่อนก็เอ้าเมาหาแต่เรื่องที่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นล่าไปอยู่ไม่เป็นสุขถ้าได้ทะเลาะกับเพื่อนแล้วสบายใจอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะอ อย่างนี้เรียกว่ามันหลงมันเมาอ่ะมันสําคัญว่าจิตเรานี่นะนี่แหละดังนั้นผู้ภาวนาทั้งหลายให้เพ่งจิตนี้ให้มากๆให้มันเห็นแจ้งชัดว่าไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลยบางคนก็อาจจะว่าเอ้าถ้าไม่มีเรามีเขาเนี่จะไปทําบุญกุศลทําไมอะ่ะจะมาฝึกตนเอาวิมานอะไรล่ะ ก็ปล่อยตามเรื่องมันแล้วมันจะไม่ดีเหรอนี่มันมันมีมีเรื่องที่จะพูดได้ง่ายง่ายอย่างว่า น, นั่นน่ยเพราะฉะนั้นจึงจะขอถแถลงไว้ในที่นี้เลยแหละไอ้ถ้ามีความเห็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมานะความเห็นเช่นนั้นท่านเรียก ว, ว่าเห็นไปตามยถากรรมเห็นไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาอเรียก ว, ว่าปล่อยตนให้กิเลสตัณหามันจูงไปเอาตามประสงค์เลยอ่ะ มันจะจูงไปพาสู่ทุกข์ก็ไปเสวยทุกข์มันจูงไปทําสู่สุข ก, ก็ไปสุขแล้วแต่มันจะจูงไปทางไหนนี่ถ้าผู้พูดขึ้นมาแช่นนั้นอีกหน่อหนึ่งก็เท่ากับว่าเห็นว่าตายแล้วศูญแหละไม่มีบุญบาปอะไรที่บุคคลทําในโลกนี้มันจะตามสนองให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไปเลยนั่นความเห็นมันไปข้างอุดเฉดสาธิตีไปนูน่น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 บันดาลให้วาจาไปพูดดีบ้างพูดชั่วบ้าง้วพอนนี้มันก็เลยกลายเป็นกรรมดีก ร, รมชั่วขึ้นมาหรือพูดชัดๆก็ว่ามันก็กลายเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมาในใจนั้นบาปบุญนั้นมันก็ไปมันก็ไปแช่อยู่ที่ใจน่นนะไม่ใช่ว่ามันดับไปนะบุคคลทำดีทำชั่วด้วยกายวาจาแต่บาปบุญที่เกิดขึ้ น, น, นเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ตั้งอยู่ที่ใจนั้น ไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายวาจานี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้บันนี้บุญบาป ท, ที่มันตั้งอยู่มันหมกอยู่ที่ใจนั่นเป็นชนะ ก, กรรมนำจิตดวงนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญเ่เมื่อหมดกรรมเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนลงไปแล้วก็เราก็เรียกว่าตายาแล้วกรรมใหม่ที่ทำไว้นี่นะมันก็เป็นเครื่องรองรับจิตดวงนี้ไปเกิดภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกเป็นอย่างนี้นะ ตอนนั้นมันจะศูนย์ยังไงอ่ะต่อเมื่อละตัณหานี่ได้หมดสิ้นลงไปด้วยอานาจแห่งอริยมรรต์นั่นแหละมันถึงจะไม่ได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายแต่สำนวนในพุทธศาสนาท่านไม่ว่าศูนย์อืท่านว่าดับหรือว่านิพพานไปว่าดับนี่นะแต่สำนวนที่ว่าศูนย์ก็ห่างมีหรอก ที่ว่านิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานเป็นของสูญอย่างยิ่งนี่หมายความว่าเมื่อเมื่อจิตเนี่ยละอาสวะกิเลสหมดสิ้นลงไปแล้ววันนี้จิตก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วในนิพพานนั้นสูญจากกิเลสตัณหาสูญจากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิสัพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่มีอยู่ในนิพพานนั้นเลย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 วินิชัยให้มันแจ่มแจ้งในใจของตนให้มันถูกตามหลักแห่งคำสอนของพระเจ้าเมื่อผูใ้ใดเข้าใจถูกต้องตามคำสอนของพระเจ้าอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ปฏิบัติถูกแล้ววันนี้นะทำอุบายแยบคายในใจถูกต้องเลยนะก็เรียกว่าเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่ไม่นิ้งนอนใจอ่ะกล่าวโดยบทสรุปว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยการกระทำอ่ะอการละกิเลสอย่างนี้นะมันก็สำเร็จลงได้ด้วยการภาคเพียเมยามอบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้เกิดขึ้นมีกำลังแล้วมันคนละกิเลสนั่นไปได้เมื่อกิเลสดับไปอ่ะ น, นี่กุศลมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสยังหุ่มมรรจิตอยู่บุญกุศลเกิดไม่ได้ เช่นอย่างว่าเมื่อความโลภความตณียังมีอยู่ในใจบุคคลให้ทานไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อให้ทานไม่ได้บุญนั้นเกิดจากให้ทานนั้นมันก็มันก็เกิดไม่เกิดขึ้น ใ, นในใจไม่ได้เลยเช่นบุคคลเมื่อขาดเมตตากรุณาแล้วความโกรธมันก็ไม่ดับไปเลยออย่างนี้แหละบุคคลก็ยังสร้างความชั่ว ด, ด้วยความโกรธอยู่อย่างนั้นเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟัง ทีนี้เมื่อความโกรธมันดับลงไปอ่ะเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจรู้เกิดขึ้นในใจแล้วความหลงก็ดับไปความรู้รู้จักรักชั่วทำดีได้รู้จักธรรมของจริงไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานต่างๆอันนั้นแหละเป็นกุศลอันยิ่งทธนเวโลกุตระกุศลดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดสติลงเพียงเท่านี้